ท่านสาธุรธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่ห้านี้ก็มาขอปรารกเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี่เราก็ต้องพูดกันเรื่อยวิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตัดไว้ในสังโยชน์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มีสิบประการแต่ถ้าตัดได้ทั้งสิบก็เป็นพระอรหันต์ตัดได้ห้าก็เป็นพร ะ, ะอนาคามีถ้าตัดได้สามก็เป็นประโสดาบันกับสกิทาคามีสําหรับเรื่องความเป็นประโสดาบันหรือไม่นั้นเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นปะโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ้มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าบังเอิญไม่เป็นปะโสดาบันคิดว่าได้เป็นปะโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายภาพข้างลงไปเราจะไม่พ้นเขตอบายขูม ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดเองว่าเราจะคุมกําลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์สามรายการคํำว่าขอบเขตเขาสังโยชน์ก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นท่ายังสังโยชน์สามรายการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้นทําจิตใจให้ไม่มีกังวลอารมณ์ขอสังโยชน์ ก็คือหนึ่งส ก, กายยะทิฏฐิอารมณ์มโนสัญญตมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไรด้ความสะอาดไม่มีการสกรปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์มโนสัญญตเป็นอย่างนี้เราก็ต้องคานตัดทําลายอารมณ์นี้ทิ้งไป ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องต้นว่าร่างกายที่ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายสกปรกหรือไม่สกปรกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายหรือไม่มีในร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกันปล่อยไว้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไป เรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้นในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนเธ้วทำความรู้สึกแบบเปรศการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหน ตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลาวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนระมัดระวังไว้เสมอว่าคิดว่าเขอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ตั้งตั้งใจทําความดีจิตส่งรมความดีไว้เข้าไปแก้สัยญาณข้อที่สอง เสัญญาณก้อยสองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาเว่าพระพุทธเจ้าดีและธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามรายการนี้มีความดีควรยอมรับนับถืได้แล้วก็เต็มใจในการยอมรับนับถี ฉันย่อข้อที่สามมีความไม่แน่นอนในศินทําตนเป็นการปฏิบัติตนแบบสรทาหัวเต่าฝึกเข้าฝึกออกเคารพในศินบ้างไม่เคารพในศินบ้างอันนี้เป็นเหยื่อของบาญภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าศินเต่าต้องรักษาให้แน่นอน เฉพาะกระวาดมีศินห้าถึงศินมีห้าสิขาบทมีปาณาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะเว้นแน่นอนในศินห้าประการนับตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไ่ไปบาป ก, กรรมเก่าๆที่ทำํำไปแล้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเขเวลานั้นไม่ใช่เวลานี้เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในศิน เพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทธถ้ารม์ของทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย <c oughs> แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้พร้อมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไปเสมอแล้วก็ทรงความดีเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ส่งศีลให้บริสุทธิ์เป็นปกติเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทธ ขึ้นเที่อาบายภูมิทั้งสี่รายการคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตวรีฉันก็ดีจะไม่มีสําหรับเราไปทุกชาติทุกสมัยถ้าจะมีการเกิดอีกเพียงใดก็ตามทีขึ้นเทีชื่อว่าอบายภูมิทั้งสีไม่ไปกันแน่ทานที่มาอย่างต่ําก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์นิพราน ถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่นิยมร่างกายขึ้นมาอบาราขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสําหรับเรื่องการหนีบาปในเรื่องต้นที่บรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้กันลืมต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคล น, นี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่ห้า วันนี้ก็จะขอพูดถ้งอารมณ์ของคนที่ความจริงก็ไม่ได้หมายถึงบาปบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นเด้เพียงว่าก่อนตายมีความคิดว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างไงเวลาตายและไปเกิดที่นั่นทันที แต่สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถึงอบายภูมิเบื้องตน้นคือขั้นสติเลชนันเขาตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดสินไม่ใช่อกาสไม่ใช่บาปที่ละเมิดสินไม่ใช่ระบับ ป, ปรามาพธพระตรยนาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นเป็นเพียงว่าอารมณ์คิดเฉยเฉยว่าจุดนี้ดี ว่าตายปุ๊บก็ไปทันทีเกิดที่นั่นทันใดแล้วพอยหลังต่อจากนั้นไปเขาเมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดฉานตอนที่เป็นสัตว์เดฉานเกิดมีความรักในพระบัจเจกพระเจ้าเมื่อตายจากสัตย์เดชานคือตายจากสุ น, นัขเข้าไปสุนนะัขก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช้นดาวประเด็นสติวโลก นี่ถ้าท่านหลายได้ฟังใครเ็พูดว่าสตัตว์ประชานทำบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านผู้นี้ก็ดีหรือ ว, ว่าเอราวันเทพรบรตบุก็ดีท่านเอราวันเทพประบุเป็นช่างของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมากมานบใ <c oughs> ช้ลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้อเอาไปสร้างสัางลาเป็นสาธารณนะ ตายแจกความเป็นชามไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช้นดาวดึงสติวโลกมีนามเอกวันเทพบุตรก็รวความว่าสตรีฉันก็ทําบุญได้เทวดาหรือพ่อก็ทําบุญได้มีผลเช่นกันก็ขอนําเรื่องราวเขามาสู่เรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไปเก้านาทีแล้ว เรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทโกตะกายิกายมาในเรื่องสามมาวดีท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีเรียกว่าโกตุฮาริกะโกตุฮาริกะคนนี้ท่านเป็นคนข้อภัยตะเป็นคนยากจนหนีภัยแห่โรคระบาด มากับปัญญากับลูกน้อยในที่สุดเมาื่อาหารหมดในป่าหลายวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายในป่าคือลูกเล็กเล็กลูกน้อยก็คือไม้ลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกยังเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ <c oughs> แต่กรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทันออกมาเข้าไปสู่บ้านของโกดุมพีคือคนที่มีเงิน ไปขอเข้าเขากินและอยากจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆค่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวคือร่งชีวิตอยู่ได้คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทต่บริษัทมีความคิดรู้ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้ เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านกกดุมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับปัญญาท่านกกดุมพีก็นคนจัดอาหารมาเลี้ยงก็ไปอาหารประเภทที่คนใช้กินทื่คนรับใช้เขากินจะว่าเลวเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวยเขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนื้อแกงไก่มันเลิะประเสริญเกินไปมันชินสำหรับบ้านประเภทนั้น อย่างบ้านเราจนๆเนยียแต่มาเองเขาเกิดเคยเกิดในฐานะที่ไม่เคยจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่มสมน้ําปลาอร่อยอร่อยเหลือเกินเห็นคนอื่นกินหมูกินหมูกินเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเรารวยเมื่อไร่จะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอด ความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกตุฮันิกะหรือว่าเต้ยโกดุมพีให้คนใช้คนรับใช้อาหารมาให้สองส่วนเวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้หรือจะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำมาให้พัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอ า, าให้ในโกตุฮัริกะชามหนึ่ง ปัญญารักสามีมากส่วนของเธอเธอยังไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมากน่าจะคิดว่าเรากับปัญญาต่างคนต่างอดกันมาก็กินกันคนละชาไ ม, ม่ก็ส่งชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแคล่วทว่าใจแคล่วเนี่ยใจแคล่วในด้านของความโง่ แ่นที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนของเธอว่าเธอหนักใจกินจนหมดชามพัญญาทนหิวน่ารักเกินเมื่อเห็นผัวผัวกินหมดชามแล้วก็ถามว่าต้องการอีกไหมถ้าต้องการเธอให้ส่วนของเธอในโกตุพฤติกาก็บอกเอาความจริงนับใจแบบนี้ไม่น่ารักเลยมีจะส่งให้เขกินอีก ขณะที่กินข้าวอยู่นั้นท่านกะดุมพีถ้ามีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งท่านเลี้ยงไว้ใกล้ชิดท่านก็กท่านเองท่านกำลังกินข้าวเหมือนกันกินข้าวมะทุกปลายาติข้าวมะทุกปลายยอดเป็นข้าวที่มีราคาแพงมากจะกินได้แต่คนที่ร่ารวยกับมหาเศรษฐีกับกษัตริย์เท่านั้นคนนี้จนออมากินบ่อยๆไม่ได้ น, น, นานๆกินครั้งได้ ตัวอย่างท่านดุมพีเท่ากินได้ทุกวันทุกเวลาถ้ามัทุปญาติเขาทํายังไงไม่ขอที่บายในที่นี้เรื่องเวลาเปล่าเมื่อไท่กินข้าวมัทุปญาติหมาตุ่เมียที่แตะเลียงไว้มันหมอบอยู่ใ ก, กล้ๆทก็เอาใส่จานแบ่งให้หมาตุ่เมียเจ้าหมาตุ่เมียผู้น่ารักผู้มีบุญมันก็กินข้าวนั้น โกตัวอธิกะมองดหมาตัวเมียก็คิดในใจว่าเจ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นหมามันดีก็เราซึ่งเป็นคนมากเราซึ่งเป็นคนเกิดมาจนก็ะทั่งมีเมียมีลูกคนหนึ่งแล้วคําว่าข้าวมาทะทบปลายาดเนี่ย น, น, นานๆได้ยินชื่อครั้งหนึ่งแต่การเฮี่ริ่มชิมรส ข้ามาทุกประญาติแม่แต่เศษก็เล็บเข้าไปแตะก็ไม่เคยได้ม่เคยไพบทั้งนี้ข้าวมาทุกประยติเป็นราคาไม่ราคาแพงมากเหมาะสำหรับคนที่มีฐานะดียังกะาะคมีและเศรษฐีเท่านั้นเธอก็นึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินแต่ว่าเธอจะคิดว่าเราเกิดเป็นหมาบ้างก็ดีคิดหรือเปล่าบาลีม่ได้บอก เขรวมความว่าขณนนะที่คิดว่าจะหมาตัวนั้นดีกว่าตัวเท่านั้นเธอกินข้าวหมดชามรถชามหลังตามพระบาลีปรลมกาเริบ ก, ก็คืออาหารไม่ย่อยย่อยไม่ทันอดมาตั้งหลายวันกินเข้าไปมากส่วนทุกส่วนของร่างกายก็เปลียไม่สามารถจะย่อยได้เธอก็ขาดใจตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายลงไปแล้วจิตวิญญาณ เดือดทิสมารนกายวิญญาณไม่ไปด้วยแน่เขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังไปเถนะคำว่าวิญญาณนี่เป็นความรู้สึกเท่าที่เราเรียกกันว่าประสาทตามที่ก็บอกขันห้ามีห้าอย่างคือรูปพริธนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เวลาตายมันตายพร้อมกันก็ไม่เกาะกรร่างกายวิญญาณไม่ใช่จิต วิญญาณไม่ใช่ทิศสมานกายสําหรับสิ่งที่ออกจากร่างกายไปคือจิตหรืออทิศสมานกายจิตมีสภาพคิดอทิศสมานกายคือกาย ก, กายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อตามธรรมดาที่ก็บอกว่าคนตายแล้วไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเกิดที่น้นบ้างไปเกิดที่นี่บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายถูกเผาบ้างถูกฝังบ้าง เออะไรไปเกิดก็คื อ, อความจริงของตัวเราข้างในไปเกิดตัวเราข้างในถ้าจะเห็นได้ทาไมได้ทิศกุญานเห็นด้วยตาปล่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านเรียกว่าอาทิตย์มาในกายเป็นกายที่ไม่สามารถเห็นได้ในตาเนื้อถ้าเราจะมีความรู้สึกว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีนั่นก็คือเวลาฝันเรานอนฝันไปทำโน่นทํานี่ทำนัน่น นั่นกายข้างในจริงๆมันไปจริงๆแต่กายเนื้อมันนอนโย่เจ้ากายตัวนี้และบรรดาทนพุทธบริษัทขณะที่อารมณ์จิตคิดว่าหมาตัวนี้ดีกว่าเรามีบุญบาสนาดีกว่าเราเมื่อสิ้นลมปราณลมวิจัยหมดไปพับกายตัวนี้ไปออกจากกายเนื้อเข้าสู่คันของนางหมาตัวเมียทันที <c oughs> ต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าไดก็คลอดก็ออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากเป็นที่รักของท่านกรหอบดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบสัตย์ยิ่งคิดว่าการกรรมที่ทำเขวเกิดเป็นสุนัขนี้ยังไม่หมายถึงการทิ้งลูกกรรมที่บาปที่ทิ้งลูกยังไม่มาสนอง กรรมอย่างอื่นใดกรรมเพราะการปรามทาย์พระไตรชนาคมก็ยังไม่มาถึงกรรมเพราะละเมิดสิทธห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ยังไม่มาถึงเป็นแต่เพียงความรู้สึกคิดว่าสุนัขดีแหมาดีเพียงเข้าเท่านี้พอจิตออกจากร่างเม่อทิศมาลากายออกจากร่งางก็เข้าสู่คันเขาสุนัขทันทีเข้าท้องหมา ที่จำไม่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัมมิตรเจ้าสอนให้เราจะเดิญสมาธิร อ, ราาาอริยปัฏนาญนทำอารมณ์ให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจตั้งใจนึกถึงความดีมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังขานุสตินึกถึงพระอริยสงศ์ศีลานุสติจิกคุมอารมณ์ในสินให้ทรงตัว จาคาลุสติถึงถึงกระทนการบริจาคคือการให้เทวตาลุสติถึงถึงนึกถึงความดีของเท ว, า ด, วาดาเป็นตน้นอี่องค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้ทำอย่างนี้ที่จะบอกว่าทำให้เป็นชานชายคืออารมณ์ชินถ้ารรนึกถึงความดีต่อราการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาจะตาย ไม่ยามปกติก็นึกได้บังนึกไม่ได้บังลืมบ้างนึกถึงบ้างแต่เวลาก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆคุณจะส่งใจส่งอารมณ์ให้ส่งตัวคือตั้งใจภาวนาแเรนึกถึงให้ส่งตัวไว้ทั้งสองสามนาทีก็พอให้ชินเมื่อเวลาใกลยย้จะตายจริงๆอารมณ์ความดีจะรวมตัวถ้านึกถึงอารมณ์ความดีหกอย่างนี่อย่างใดยอย่างหนึ่ง อย่างเลวหรืออย่างอ่อนที่สดตายแยกความในคนจะไปที่เป็นเทวดาหรือพรหมทันทีทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตน้อมถึงกุศลคําว่ากุศลหมายถึงจิตคิดอยู่ในความฉลาดไม่พลาดจากความดีก็เล่ากันยอ่อเรื่องพุท ธ, ธาตุติเป็นต้นเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยพูดกันต่อมาก็มาคุยกับบรรดาท่านพุทธท่อสานิกชน เมื่อเขาเกิดเป็นสุนัขอาศัยที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุนัขภาษาของคนทุกคำเขารู้เรื่องหมดแต่ว่าเขาจะพูดอย่างคนไม่ได้และเด็กอาการก็การแสดงออกทางกายบ้างทางเสียงบ้างทางตาบ้างเรื่อวกับความเามตดาแต่พุทธวิษัชนหลายเพื่อทราบว่าสัตว์เดชานทั้งหมด ที่เเห็นเห็นอยู่นี่มาจากคนทั้งนั้นคนที่มีอารมณ์พลาดจากความดีอารมความชัว่วเขาเสี่ยงใจเป็นเกิดเป็นสัตย์ฉันได้ไม่ยาก <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้องค์สมเด็จพระพุทธมีพระาเจ้าส่งจัดต่อไปว่าหลังที่เขาเกิดเป็นคนแล้วแล้วก็ขอโทษเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ท่านกัมปดีรักมาก ท่านก้วดีก็มีพระองค์หนึ่งเป็นพระปบาเจกพระเจ้ทจาท่าน้าววดีมีความเคารพมากเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็พักที่เขาใกล้ๆเวลาจะบวนทีม่มนพระปบาเจกพระเจ้จาก็นำมาเจ้าเจ้าสุนัขแสนรูต้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งบางคราวท่านมีธุระ ไม่สามารถจะไปได้ก็ใช้สุนักแสนรู้ตัวนี้ไปนิมนต์พระกจิครุธเจ้าการนิมนต์ของเธอก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงสัญญาณจุทดที่ใดที่ท่านมาหาเศรษฐีคือพุ่มไม้ใหญ่ๆที่หนาทึบท่านมาหาเศรษฐีก็าวดีท่านคิดว่าสัตว์ร้ายอาจจะอาศัายอยู่ไปถึงทั้งหมตีให้มันหนีไปจะตีพุ่มไม้มันตกใจหนีไป เจ้าสุนัขตัวนี้จำได้เวลาไปเองแต่ลำพังไปถึงที่นั่นก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการกระโชคค่าว่าสัตว์ร้ายมีจะได้หนีไปต่อมาปรากฏว่าเวลาเข้าไปรสาใกล้เข้ามาพระเจกาพุทธเจ้าท่านก็เวลาท่านก็นหาบอดี ขอไว้จําป็นสาที่ภูเขาคันธมาตอันเป็นที่อยู่ของพระบัจจยพุทเจ้าทั่วไปเ <c oughs> มื่อลาแล้วท่านก็ออกไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันรักพระบัจจยพุทธเจ้ามากมองดูพระบัจจพุทธเจ้าที่ออกไปเฮาบ้างหอนมั่งส่งเสียงแสดงด้วยความรักความเคารพพอพระบัจจพุชชทธเจ้าพ้นสายตายของมันมันก็ขาดใจตายทันที ตายเพื่อความรักในพระบัเจยพระพุทธเจ้าหรือตายเพราะวาระเข้ามาถึงดีกว่าอาตมาคิดว่ามันตายเพราะวาระคนชีวิตเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่จะพูดว่าตายเพราะอาศัยความรักแต่พระบัจจยพระพุทธเจ้าแต่เรื่องความรักในพระบัเจยพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาไม่ไมเขียงรักแน่รักก็มีความเคารพแล้วก็แสนรู้ ที่บางครั้งพระบัจจีพระเจ้าจะลองใจมันในเมื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ไปตามท่านท่านก็เดินตามมาบางคราวต้องลองใจแกล้งเดินเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้ากันถ้าท่าอเขาแกล้งเดินเลยต่อไปมันก็เลยดึงชายเสบงให้กลับไอตอนดึงชายเสบีงนี้ไม่กลับไม่ได้บรรดาแต่พระตบริษัตว เพราะพระเจพระเจ้านีมีผ้าแค่สามผืนผ้าสำคัญคือสบงหนึ่งตัวจีวรหนึ่งตัวสังติหนึ่งตัวผ้าเกินก็มีรักรบิกเอวกับร่งสะเท่านั้นเองถ้าบังเอิญผ้าสบงหายไปพระเจ้าสุนัขหนึ่งก็เห็นจะเป็นชีพเลยรวมความว่าพระเจ้าพระเจ้าลองแล้วหรออีกมันก็ไม่ยอมให้ท่านเลยหลังบ้านมีแสดงด้ความรักในมัน มันรักพระวาเจ พ, พทธเจ้ามากจริงๆเพราะอาศัยที่มีความเคารพอย่างนี้ระบรรดาท่านพระตุภิษัทชายิงเขารับรักพระบาเจพระเจ้าแสดงน้วยความเคารพรักด้วยแล้วก็เคารพด้วยเมื่อพระบาเจพระเจ้าไปตายแล้วอาศัยบุญความดีที่เธอมีความรักมีความเคารพในพระบาเจพระเจ้า บรรดาให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบานสวรรค์ชั่นดาวดึงสเทวโลกเห็นไหมบรนดาเทาพธิดาบริษัทธ์ชัตติลิชัยก็ทําความดีได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีนามตามที่ข้าราชกากเรียกว่าโคศกเทพบระมุขคว่าโคศกกอโคสกคอะแล้วกเกิดกล้องเขาเสียงดังมากอย่างโคศกข้าราการอะไรเขาต้องใช้เสียงดังๆ อย่างในสลาที่ญาโยนจะทำบุญก็ดีในวัดที่เขาทำบุญก็ดีในงานต่างๆนี้ทำบุญก็ดีถ้ามีงานก็ตามโคศกจะเป็นคนเสียงดังมากถ้าเสียงตัวเองดังไม่พอก็ใช้กระยะเสียงช่วยรวมความว่าโคศกที่หัดเสียงดังมากถ้าบอกว่าแค่พูดเบาๆดังไปที่หกสิบยอ ถ้าวาระเต็มเสียงดังกล้องฉันดาวดึงเธอเสวยความสุขบนสวรรค์ฉันเทวดโลกท่านดาวดึงสเทวโลกนานเท่าไหร่บาลีไม่ได้บอกเพราะว่าสวรรค์ฉันดาวดึงสเทวโลกนี้มีเวลาอยู่พันปีทิพย์คือมีอายุอยู่ได้จริงๆนะพันปีทิพย์แต่ว่าพันปีของดาวดึงไม่ใช่พันปีของมนุษย์ถ้าเทียบเวลากัน ในมนุษย์เจ็ดร้อยปีแค่กว่าหนึ่งวันเขาดาวดึงแล้วสำหรับดาวดึงนั่นสามสิบวันก็เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนก็เป็นหนึ่งปีก็เลยไม่ทราบว่าเธอเป็นเทวดาในดาวดึงกี่วันเขาเทวดาหรือว่ากี่ปีเขาเทวดาแล้วนับเวลาเท่าไหร่เขาเป็นมนุษย์อันนี้อาตมาไม่ทราบเอาแต่เพียงว่า คนที่ไม่ทำบาปเพราะขาดสินห้าไม่ทำบาปเพราะมีเจรนาบารมีพระไตรชนาคมแต่อารมณ์จิตผู้งซ่านนิยมส่วนที่เป็นส่วนเสียหมายคาอารมณ์ที่ต่ำกว่าคือเป็นนิยมสัติฉันในอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ไปอยู่อบ า, ายภูมิแค่สติฉันได้แต่ส่วนที่กล่าวมาแล้วนั้นบางตอนลงนรกไปเลยที่ระบรดดาแทพุทธบริษัท ยิงขอบรรดาเทพพุทธบริษัทหลายจ้ระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเองทุกวันทุกเวลา น, นึกไปว่าเราอาจจะตายวันนี้นึนกส่งความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และกํลาลังใจตั้งตรงอยู่ในสินทั้งห้าไปการไม่ละเมิดสินทั้งกายวาจาและใจอบรับบดาเทพพุทธบริษัทหลาย ถ้าทำได้อย่างนี้เกิดกี่ชาติก็ไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่ในเมื่อแลด้วยเวลาหมดสามสิบนาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนที่บรรดาแต่พุทวาริศทางหลายโอกาสหน้าพบกันใหม่ข้อความสุขสวัสดิีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ุลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุธศาสนาพนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี